วักที่ผ่านมาเนี่ยนะมีชื่อว่าชื่อว่าอะไรมหายมะกาวักคือคำว่าอ่ามะกาเนี่ยแปลว่าวักที่กล่าวพระสูตรเนี่ยนะคู่คู่กันไปนี่ยนะเคียงคู่กันไปอย่างสูตรที่แล้วเนี่ยเป็นมหายมะกาวักเป็นอ่าวักที่กล่าวเป็นคู่คู่วักใหญ่นี่ก็เป็นสูตรที่กล่าวเป็นคู่คู่วักเล็กเรียกว่าจูลยมะกาวักนี่ยนะก็แต่ละวักโดยมากก็มีสิบสูตร ในมัชฌิมนิกายทั้งหมดเนี่ยนะมีอยู่ทั้งหมดประมาณสิบห้าวร์สิบห้าวรวร์ละประมาณ10สูตรแต่จริงๆแล้วทั้งหมดมีร้อยห้าสิบสสูตรเนี่ยนะนี้เราก็เรียนมาแล้วประมาณสีนะกก 4, ส่สูตรเนี่ยก็คือสี่วร์สี่วร์ก็4ี่ี่สิบสูตรสูตรละสิบวร์เนี่ยนะนี่มาขึ้นวรคที่ห้าก็เท่ากับสูตรที่สี่สิเอ็เป็นต้นไปนนะ ข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้ใ น, น, ในสารายกะสูตรข้อ483หน้า245สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเที่ยวจาริกไปในแคว้นโกสลพร้อมด้วยกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่หรือภิกษุสงฆ์จำนวนมากอันนี้คำว่าพระองค์เสด็จจาริกนี่ก็เสด็จจาริกไปโดยลำดับเนี่ยนะเสด็จจาริกไปในไปเพื่อสงเคราะห์เทวดาแลย มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะเป็นการเสด็จจารีกไปเพื่อให้ให้อะไรให้คนตาบอดเนี่ยนะมีโอกาสได้ฟังธรรมให้คนหูหนวกมีโอกาสได้เห็นพระพักบ้างให้คนที่มีนิ้วมีมือเนี่ยนะติพิการไม่สามารถจะไปไหนได้กราบได้วาได้บ้างอันนะเป็นเหตุให้บุคคลทั้งหลายได้เอาดอกไม้สักการะของหอมประทีปโคมไฟเป็นต้นเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าเพื่อให้เขาเหล่านั้นได้มีโอกาสได้ให้ทาน มีโอกาสได้ฟังฟังธรรมเมื่อพระองค์เสด็จไปอย่างนี้แล้วเขาจะได้มีโอกาสให้ทานมีโอกาสฟังธรรมมีโอกาสถึงสาระคมมีโอกาสที่จะสมาทานสีลห้านะมีโอกาสที่จะเจริญสมถะวิปัสนาเขาเหล่านั้นก็จะสามารถที่จะได้ ทำโสดาปฏิผลให้แจ้งทำสกัทาคามีผลให้แจ้งอนาคามีผลให้แจ้งอรหัตตผลให้แจ้ง น, นะบางคนก็จะได้มีบุญวางสนาที่จะได้บรรประชาอุปสมบทตรัสรูม้มรรคผลในชาตินั้นหรือบางคนก็เมื่อพระองค์จาริกไปแล้วก็จะได้เป็นบุญเป็นวาสนาต่อไปในภายภาคหน้าในอนาคตต่อ ต, อตอไปเนี่ยนะพันการเสด็จจาริกของพระองค์พร้อมกับที่โศทรงทั้งหลายจึงเป็นการจาริกไปด้วย หวังประโยชน์หวังความเกื้อกูลหวังความสุขแก่เ่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะไปเพื่อสงเคราะห์โลกไปเพื่อช่วยให้โลกเนี่ยนะได้ฟังธรรมที่ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเขาเหล่านั้นจะได้ฟังธรรมที่ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์เนี่ยนะเพราะว่าการที่พระองค์เนี่ยนะเสด จ, จาริกไปที่ใด นั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เ่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่อยู่ในทิศนั้นๆเนี่ยนะทีนี้พระองค์เนี่ยนะเมื่อจารึกไปในแคว้นโกศลแคว้นโกศลก็แคว้นโกศล น, นี่มีเมืองหลวงชื่อว่เมืองสาวัตถีเนี่ยนะอยู่ในโกศลชนบทแคว้นก็คือชนบทเนี่ยนะแคว้นโกศลปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่รัฐอุตระประเทศเนี่ยนะประเทศอินเดียเนี่ยรียกว่รัฐอุตรประเทศหรือรัฐยูพีเนี่ยนะ พระองค์ก็เสด็จมาประทับอยู่ที่หมู่บ้านแห่งพราหม์ที่แคว้นโกสลชื่อว่าสาระหมู่บ้านสาระเนี่ยนะพวกพรามหม์เครือหบดีชาวสาระได้ฟังข่าวว่านี่แน่เล่ามาว่าข่าวมาว่าพระสมณะโคดมผู้เจริญโอรสของเจ้าสักยะบวชจากสักยะตระกูลกําลังท่องเที่ยวหรือเที่ยวจาริกอยู่ในแคว้นโกสล มาถึงหมู่บ้านสาระพร้อมกับหมู่ภิกษุจํานวนมากเนี่ยนะก็สมัยนั้นก็มีกิติศัพท์ชื่อเสียงเลยแล้วนะว่าพระองค์จาริกไปที่ไหนเนี่ยนะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็สมัยก่อนสมัยที่เรียกว่าคนเนี่ยอาศายัยอยู่ทามทองนาทองไร่ทองทุ่งเนี่ยนะเขามองเห็นดวงอาทิตย์เนี่ยเขาจะรู้ว่าช่วงนี้ดวงอาทิตย์ตอนเชาน้านี้ดวงอาทิตย์ตอนสายนี้ดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงเมื่อก่อนนี้เขาดูดวงอาทิตย์เขาไม่ได้ดูนาฬิกาเนี่ยนะ อันเขาก็จะดูดวงอาทิตย์ว่าเออนี้ดวงอาทิตย์ช่วงสายช่วงเที่ยเออช่วงเช้าช่วงสายช่วงเที่ยงช่วงบ่ายบ่ายคล้อยช่วงเย็นเขามองเห็นดวงอาทิตย์ลอยเด่นได้ฉันใดเขาเห็นว่าพระพุทธเจ้าจาริกไปนะที่ใดก็ฉันนั้นเขาจะรู้ว่าช่วงนี้พระพุทธเจ้าจาริกไปที่ใดเนี่ยนะเขาจะรู้อย่างนั้นเพราะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่โดดเด่นลอยเด่นอยู่ในท่ามกลางหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหมือนกับ ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เพราะผู้ใดก็จะมีข่าวคราวคอยติดตามเนี่ยนะเขาก็จะได้กราบว่ายอย่างสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีพระพุทธรูปเขาไม่ได้กราบไหว้พระพุทธรูปแบบ ธรรมดาแบบทั่วไปไปราบที่โบสถที่วิหารเป็นต้นเขาก็จะน้อมรำลึกว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าอยู่ณด้านเหนือด้านใต้ด้า น, น, า น, านที่ตะวันออกด้านที่ตะวันตกของเขาอย่างไรบางพวกก็นอนหันศีรษะไปทางพระพุทธเจ้าไปทางนั้นเลยเนี่ยนะนอนหันพวกนั้นก่อนที่จะนอนเขาก็กราบไปในทิศ ท, ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่หรือจะนั่งก็จะยกมือประนมมือเป็นต้นเนี่ย น, น้อมอัญเชลีนอบน้อมไปยังทิศ ท, ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่เพราะเขามีใจที่โอนไปหา พระพุทธคุณพระธรรมคุณแล้วก็พระสังฆคุณเขามีใจน้อะไปหาพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นข่าวคราวก า, ว า, วาวเรเสดจจาริกไปณนะที่ใดของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นที่รู้กันของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะเว้นไว้แต่พระองค์แบบลิจาริกไปเงียบๆเป็นครั้งคราวอันนั้นก็มีแต่ว่าโดยมากถ้าเมื่อจาริกไปพร้อมกับพิสุส่์ทั้งหลายหมู่ใหญ่เนี่ยนะกิะติศัพท์อัน ชื่อเสียงทั้งหลายพร้อมกับบริวารทั้งหลายก็จะมีะเป็นข่าวเป็นคราวให้ประชาชนเรียก ว, ว่ารู้กันเป็นเหมือนกับระลอกเคลื่อนปากต่อปากปากต่อปากเขากคนก็จะได้รู้ข่าวครา ว, าวกิตติศัพท์ของพระพุทธเจ้าฉันนั้นเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นพวกชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยเขาก็ได้ข่าวได้ข่าวว่ากิตติศัพท์อันดีงามเนี่ยนะก็กิตติศัพท์อันดีงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าสมัยก่อนนี่เขาเรียกตามโคก็คือพระโคดมผู้เจริญพระองค์นั้นเนี่ยได้เป็นไปแล้วอย่างนี้ว่าก็อย่างที่เราสวดเจริญพุทธานุสติในตอนเย็นเนี่ยนะฮันธรรมยังพุทธานุสติในยังกโรมาเซเนี่ยนะก็อย่างที่เราสวดว่าเชิญเถอรเราทั้งหลายทําความตามระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพร้อมกันเถิดเนี่ยนะ ก็ตังโขปนะพะขาวันตังเอวังกัลลียานกิติสัทโธอปุกขโตอิทิปิโสพะขาวะหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารีสัทธาเทวมนุษย์นังพุทโธพะขาวะเนี่ย มันก็ก็บอกว่าก็กิติศัพท์อันงามคือชื่อเสียงอันดีงามเนี่ยนะคือไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อเสียเนี่ยนะไม่ใช่คนเลวเนี่ยนะมีชื่อเสียที่เลวร้ายแพร่ไปว่าคนนี้นักปานาธิบาตไอพวกชื่อเสียทั้งหลายเนี่ยนะก็ออกไปว่านี่นักเพชฌฆาตโจรอ่านะ เพชรข้าดไปแล้วมือเปื้อนเลือดไปแล้วนักฆ่าไปแล้วเนี่ยนะหรือว่าจอมโจรไหลไปทางโน้นแล้วเนี่ยระวังให้ดีเน้อเนี่ยนะอันนี้นักกาเมศูมิ์ฉาจานล่อลวงเอาหญิงไปขายเป็นต้นไปแล้วเนี่ยนะอันนี้นักมายานักล่อลวงนักโอ้อวดหรือขี้เล่าเมายาผ่านมาทางนี้แล้วคือซึ่งคนเลวทั้งหลายเนี่ยไปที่ไหนก็อย่างว่าคนต้องคอยสำรวมคอยระวังชื่อเสียงชั่วชั่วชื่อเสียงเลวๆวหรือกองทัพที่จะมาล่าอาณานิคมมาเข็นมาฆ่า มาเพื่อทําลายเป็นต้นของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเนียนะของพระองค์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยพระองค์นี่มีเกียรติศัพท์อันดีงามชื่อเสียงที่ดีงามเนี่ยนะชื่อเสียงอันดีงามโดยเฉพาะเน้นพิเศษคือเน้นพระพุทธคุณทั้งหลายคือเน้นถึงพระพุทธคุณ ข อ, องพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ที่สร้างบารมีสิบอุปบารมีสิบปรมามทถบารมีสิบเน้นน้มหาบริจาคหาอธิษฐานธรรมสี่สร้างบารมีมาสี่อสงไขยแสนกับจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้ทรงเป็นพระอรหันต์ไกลาจากกิเลสกรรมจัดฆาสึกคือกิเลสหักซี่กรรมแห่งสังสารจักร ควรแก่เครื่องสักการะบูชาไม่มีความลับในการกระทําบาป พ, พระองค์เป็นผู้ตรัสรู้โดยถูกต้องโดยลําพังพระองค์เองพระองค์ตรัสรู้ว่าอะไรควรรู้ยิ่งอะไรควรกําหนดรอบรู้อะไรควรละอะไรควรตามไม่แจ้งอะไรควรเจริญอะไรเป็นวัตตาอะไรเป็นวิวัตะอะไรเป็นสังคตะอะไรเป็นอสังคตะเป็นต้นเมื่อพระองค์ตรัสรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะ พระองค์ก็เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะพระองค์มีวิชาสามมีวิชาแปดสมบูรณ์ด้วยจารณะทั้งสิบห้าประการเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเสด็จไปสู่ทิศอันไม่ตายคือพระนิพพานเสด็จดําเนินไปตามอรยมิยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดไม่หุ่นย้อนกลับมาใน อกุศลธรรมทั้งหลายที่พระองค์ผ่านไปแล้วละแล้วละเลยไม่มีหวนย้อนกลับมาฮะกิเลสอีกต่อไปแล้วก็ไปด้วยอำนาจสัมมาทิฐิไม่เอียงไปทางสัสจะทิฐิและอุเฉตทิฐิพระองค์ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาไม่ได้เป็นการมสุขัลิกานุโยคและอัตตกิลมัฐานุโยคมันการเสด็จไปของพระองค์ไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไปแบบคนรู้แจ้งโลกไปแบบโลกวิถูผู้รู้แจ้งโลกรู้ รู้สัตว์วะโลกรู้โอกาสโลกสังขารโลกสังขารโลกทั้งปวงพระ อ, องค์ก็รอบรู้ครบถ้วนโดยบริบูรณ์สัตว์วะโลกโดยเจดิธิมุติธิอนุสัยอัธยาศัยเป็นต้นของสัตวเ์เหล่าใดพระ อ, องค์ก็รอบรู้รู้ทั้งโอกาสโลกเนี่ยนะตลอดจั ก, กรวาลอันหาที่สุดมิได้และพระ อ, องค์ก็เป็นผู้ที่สามารถพอฝึก คนที่สมควรจะฝึกได้ปุริสธรรมสารถิเนี่ยนะเป็นสารถิผู้ฝึกบุุษที่คู่ควรต่อการฝึกเนี่ยนะ กล่าวว่าสอนให้มีศรัทธาแก่คนที่คู่ควรที่จะมีศรัทธาสอนให้มีศีลสำหรับคนที่คู่ควรที่จะมีศีลสอนให้คนมีธรรมคู่สำหรับคนที่คู่ควรที่จะมีธรรมสอนคนที่ควรจะได้โสดาปติมภะให้ได้โสดาปติมภะสอนคนที่คู่ควรแก่สกทาคามีมักอนาคามีมักอรหัตตมัคให้ได้มักผลทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวว่าสอนคนที่คู่ควรที่จะได้ คุณธรรมทั้งหลายไม่ใช่ไปเที่ยวสอนมั่วไปหมดไม่ใช่คิดได้ว่าสอนคนที่คู่ควรที่จะได้รับอริยสัพย์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะนพระองค์จึงเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมเกินกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดีกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายาเพราะเป็นที่สักการะเคารพนับถือของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ที่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชาสักการะเนี่ยนะยกย่องเพราะพระองค์เหนือกว่าเทวดา และมนุษย์ทั้งหลายปกติเนี่ยนะใครที่จะนับถือใครผู้คนที่ถูกนับถือเนี่ยจะต้องเหนือกว่าผู้นับถือพระองค์เหนือกว่าชนเหล่าอื่นทั้งหมดด้วยสีนเพราะในจำนวนผู้มีสินทั้งหลายก็จะนับถือพระองค์ว่าพระองค์มีศีลเหนือกว่าในบรรดาผู้นับถือกันนับถือเพราะสมาธิพระองค์เป็นผู้มีสมาธิเหนือกว่าก็นับถือพระองค์ผู้เหนือกว่าด้าน ส ม, สมาธ ing, ิพระองค์เป็นผู้มีปัญญามีวิมุตติยานทัศนะเหนือเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์มีศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเหนือเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์มีสติปัฏฐานเป็นต้นเหนือเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์จึงเป็นที่สการะเคารพนับถือของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะพระองค์เป็นผู้เหนือกว่าเป็นผู้ยอดเยี่ยมเยี่ยมกว่าเหล่าสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้าสองเท้าสี่เท้ามีเท้ามาก สัตว์ที่มีรูปหรือสัตว์ที่ไม่มีรูปสัตว์มีสัญญาไม่มีสัญญาทั้งเทวดาและมนุษย์ในโลกพร้อมทั้งเ ท, โ ท, โทวโลกมารโลกพรหมโลกทั้งมวลก็ล้วนแต่ว่าพระองค์เหนือกว่าเหล่าเทวดาและมนุษย์ต่างที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดเนี่ยนะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่สอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสั่งสอนให้เขาได้รับประโยชน์ทั้งหลายประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่ง แล้วก็สอนบอกพาเขาข้ามพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกพาเขาข้ามพ้นจากาวัฏะสงสารพาเขาข้ามด้วยโสดาปิติมรักพาเขาข้ามด้วยอนาคามีมรักอรหัตตมรักทั้งหลายพระ อ, องค์พาเขาข้ามออกจากทุกขสมุทัยทั้งหลายบาปอากุศลธรรมทั้งหลาย อันพระองค์จึงเป็นพระพุทธเจ้าผู้กำจัดราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิสกายาทิฏฐิวิจิกิจชาศีลพพตะปรามาราคะโทสะโมหะ มานะทิฏฐิบาปอากุศลธรรมทุกชนิดพระองค์เป็นผู้ที่รู้แจ้งแทงตลอดในจตุสัจธรรมแล้วก็บอกกล่าวแนะนำให้สัตว์ทั้งหลายนั้นตรัสรู้ด้วยเพรัะพระองค์จึงเป็นผู้ตื่นแล้วก็เที่ยวปลุกให้ผู้อื่นตื่นด้วยพระองค์เห็นอริยศาสตร์แล้วก็เที่ยวบอกให้ผู้อืน่นตรัสรู้อริยศาสตร์พระองค์จึงเป็นผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมรัตนะเนี่ยนะ จำแนกแจกแจงกุศลอกุศลจำแนกแจกแจงบุญจำแนกแจกแจงบาปอันเหตุแห่งความสุขเหตุแห่งความทุกข์เป็นต้นก็แต่ว่าสรุปว่าการจำแนกของพระองค์ก็เพื่อให้เหลเหล่าสัตว์ทั้งหลายได้รับประโยชน์ที่สูงสุด